มันต้องอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาอย่างไรเราก็ต้องเดินตามแนวแถวที่ท่านพาดาเนินมาแต่ท่านพาดาเนินมาผิดไหมมันผิดที่ตรงไหนอธิบายดูซิมันไม่งามที่ตรงไหนไมีถูกต้องที่ตรงไหนอธิบายดูซิเลือกปเป็นความดันทุลังของตัวเองอันนั้นละไม่ใช่มันไม่ถูกละ ขนาดพระหรหันธ์พระมาหากบินไม่ลงอุโบสถพระพุทธเจ้ายัางไปตําหนิพระ ม, า ห, มาหากบินเท่าก่บข้าเนี่ยเราในสําเร็จเป็นพระหรหันธ์แล้วไม่ต้องพูดถึงกายวายจาหรอกแต่ใจของข้าพรเจ้าก็บริสุทธิ์แล้วในเมื่อใจของข้าบริสุทธิ์แล้วเราบริสุทธิ์ด้วยใจแล้วกายของเราจะไปทําอะไร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 พอตอนเที่ยงเราก็ได้ลงอุโบสถและก็ตอนเย็นเราก็ได้ทําพิธีไหว้พระแล้วก็กล่าวทำสมาทาน เ, เขารบศักการะถือดอกไม้ทูบเทียนกล่าวคําถวายวันศักกระคือวันมาฆบูชาในวันนี้ทุกวัดของประเทศไทยทั่วโลก เ, เขาก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเย่ง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 อันนี้มันผิดวินัยแล้วจะเป็น <c oughs> แล้วจะเป็นอาจารย์สอนคนได้อย่างไรทําไมจึงทิกข้ามดเพียงแค่นี้ก็ไม่รู้เพราะพระติเจ้าบัญญัติแล้วแต่นี้ทางลูกศิษย์ของธรรมพวินัยถรเนี่ยก็ทางกฎหมายเนี่ยก็ไปผูดเย้ยให้ลูกศิษย์ของธรรมมากระเทิกเถอะบอกเนี่นะอาจารย์ของพวกเธอทั้งหลายเนี่ย เซอลืเกินโง่ลือเกินขนาดพินัยก็ยังไม่รู้พระเจ้าบัญญัติพันน้าในขันไปยังไปค้างไว้ปรับอบัติทุกกฎยังไปทําไม่รู้กระทั่งพินัยสอนได้แต่คนอื่นสอนได้แต่ธรรมอย่างอื่นแต่พินัยไม่รู้นะลูกศิษย์กลุ่มนี่ก็ไปเย้ยให้ลูกศิษย์ของธรรมกะกระถึกนะธรรมกะกระถึกก็เป็นผู้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 อาจารย์ของข้า เ, เป็นทุกขกตแต่อาจารย์ของแกเป็นอบัตปาจิตเต้นนนเนี่แหละทีนี้ตั้งห้าร้อยคนเลยยกทีมเข้าหากันแต่ต่างคนก็ต่างชี้หน้ากันลักษณะอย่างงั้นได้พระตั้งห้าร้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ห้ามแล้วโยธเธออั น, นั้นมันเป็นอบัตเล็กน้อยตนเองเขาไม่รู้ก็ให้อาภัยกันหยวนจะไปทำอย่างไงจะพูดอย่างไรอย่างงั้นโยธ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 การทระเลาะโม้แ้งกันมันเป็นไม่เป็นผลดีพระสงฆ์พระอนุรดฐะกิมพริวัคคุท่านก็บอกสมัยไหนหนอพระเจ้าข่าที่พระสงฆ์ที่คนทะเลาะกันแล้วจิบหายทั้งฝูงทั้งหมู่พระเจ้าข่าพวกเธอต้องการฟังเหลือพระเจ้าข่าเราจะสาธกให้ฟังสมัยหนึ่งมีนกกระจาบฝูงหนึ่ง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 เห็นแต่พักแต่พวกตัวเองเออพวกนกทางหลายไอ้ตัวเสือเสอโง่โง่เมันก็มีเะเออเวลาเขาให้กินตัวเองก็ไปจิกไปตีกันเล่นไปลอ้อไปเล่นกันไม่ตั้งใจกินเยพอเขาบินขึ้นมาแล้กกับตัวเองก็บินขึ้นมาเอ อ, เ อ, อ, อ, อกระอกบอกว่าตัวเองไม่ได้กินเลเพราะนกงโง่มันก็มีเหมือนกับคนโง่เหมือนพระโง่มันมีอยู่ในกลุ่มของพวกกลุ่มแต่ละกลุ่มเออ โลกคนนี้มันคนโง่มันมีกว่าดีมันโง่มากกว่าคนฉลาดองนกเหล่านั้นเขคงจะลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อว่านะไอ้นกที่จำนวนที่มันโง่มันก็เห็นด้วยใช่หเออใช่หัวหน้าลองหัวหน้าหดีว่าเห็นด้วยว่าหัวหน้าเห็นแก่ตัวแตนั้นก็มีพวกขึ้นมาสองเท่นี่อต่อมาเนี่ยไอ้นกหัวหน้าเขาบอกว่า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 มีของที่จะมาตัดไม้ในป่าเพื่อจะทำแอรกรถของเขาจะเดินเข้ามาหมีตัวนั้นก็เลยเดินต้วมเตี่ยมเขาไปหาเขาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายมาอะไรในป่านี้ฮหคนทั้งหลายเขาเอ๊ะหมีพูดภาษาคนได้วะอบอกว่าข้าพวกข้าเนี่ยมาหาไม้เพื่อจะทำแอรกรถทำงอนรถเพราะแอรกรถของเรามันหัก ก็เลยจะมาหาแอกรถใหม่หมีตอนนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าเราเที่ยวอยู่ในปา่าดวงพงไพยนี้เป็นเวลานานไม้ที่จะแกร่งไม้ที่จะแข็งไม้ที่ดีที่สุดน่คือไม้ตัวเนี้ยไม้สะค่เนี่ยดีที่สุดที่จะทำเป็นแอกรถถูกดีจะใช้ได้ทน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 เ, เมื่อออกพรรษาเสร็จแล้วพระอนุนก็นำพระสงฆ์ทั้งพันรูปนะ่ทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องวินัยท อ, อหัวหน้าทำมกระถึกกับลูกน้องนะ่พาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เทศนาว่าการให้ฟังพวกทั้นก็นยอมรับจากนั้นก็ท่านได้ฟังทาคำสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะในคราวนั้นนะ